ได้ทำทานได้ทำบุญทำทานให้ทานเป็นเป็นกุศลเป็นคุณธรรมแห่งความเสียสละเป็นคุณธรรมของเมตตา <c oughs> ถ้าผู้มีเมตตาก็ทำทานได้ให้ทานได้ ผู้ให้ทานได้หรือเป็นผู้มีเมตตาเมตตาธรรมเมตตาธรรมค่ำจุนโลกทานนางเมปริสุทธาทานการให้ปันสิ่งของที่ควรให้ปันแกบุคคลที่ควรให้ปันอิยะวาจาวาจาเป็นสุภาษิตวาจาภพเราะ อ่อนหวานเป็นสุภาพสิทปิยะยวาจาสมานตตาความประพฤติตนให้เป็นผู้รู้ตนไม่ถือตัวถือตนไม่เยียบย่าทำลายตนไม่เยียบย่าทาลายผู้อื่นเยียบย่าทำลายตนคือโทษให้ตนเองเห็นว่าตนเองนี่บุญน้อยวาสนาน้อย เกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากมีแต่โรคภัยไข้เจ็บนี่เรียกว่าหยยบย่ำตนเองให้ถือว่ามันเป็นเป็นโชคเป็นลาภกิตโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัตินี่มีกายกับจิตจิตก็ไม่วิปริตกายถึงแม้มันจะ มีโรคภัยไข้เจ็บก็เอาโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ทุกเกิดแกด่ร่างกายเอามาเพียนเพ่งพินิษ์พิจรารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติให้เห็นเป็นธรรมชาติ <c oughs> ใ, หหรราตให้เห็นว่าการเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์อะไรที่จะ สัมผัสปรากฏขึ้นกับรูปร่างกายเพราะท่านเกิดมานี่ยมีความทุกข์ให้ปรากฏมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอรโรคพยาพระมาราพาผู้ไม่มีโรคนั่นเป็นลาบันประเสริฐที่นี่ถ้าหาว่าผู้มี โรคภัยไข้เจ็บมีความเก็บความป่วยไข่เบียดเบียนอยู่เรื่อยๆก็เปลี่ยนให้เอาโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละเป็นเรื่องของทุกมากาหนดรูปท่านเห็ว่าทุกคนกำหนดรูปให้เห็นโทษของทุกนั้นนั้นมันจึงจะเบื่อจึงจะนายจึงจะคลายความอยากเกิดความอยากเป็นอยากมี นี่ว่าให้ได้ปัญญากับความทุกข์นั่นนั่นนี่จึงว่าผู้มีความทุกข์ให้ปรากฏนั่นแหละก็เป็นลาบอีกอย่างหนึง่งเป็นลาบที่จะให้เกิดสติปัญญาเพราธรรมชาติการเกิดมันก็จะมีทุกข์หลายหลายอย่างรวมอยู่นั่นแหละทุกข์อยู่ในกายทุกข์เพราะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะต้องมาดินน้นรน สแสวงหาบำรุงรักษากายอีกนี่เดียวว่ามันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์เพราะการเกิดที่จริงต้องเอากำหนดเอาทุกนั่นแหะมากําหนดลูกเอาทุกมาเพียนเพ่งพินิจพิจรารณาเพรมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมันทําไมมันถึงเกิดก็เพราะอยากเกิดเพราะห่วง พอห่วงทุกข์พ่อห่วงสมบัติคือรูปร่างกายนี่แหละแต่ความจริงแล้วรูปร่างกายมันเป็นสมบัติของพญามัจจุราชใจนี่จึงเป็นสมบัติของเราเองสมบัติของเราแท้เอาสมบัติพญามัจจุราชที่เกิดแล้วมัจจุราชเขาจะต้องทวงคืนมาพินิจพิจารณาให้เห็นโทษ ให้เห็นโทษของสมบัติของพยามัจจุราชว่าเกิดมาแล้วทุกข์เกิดมาแล้วต้องบำบัด ต, ต้องมาบำรุงรักษาวุ่นวายสุดท้ายก็พญามัจจุราชต้องเอากลับคืนไปคือต้องแตกดับสลายตายไปนี่ให้ได้ปัญญาจากสมบัติของพยามัจจุราชเพื่อเพื่อมาทำปัญญาให้เกิดในสมบัติของเราแท้คือใจ ให้เกิดปัญญาญาณสองสว่างเป็นตาที่สว่างเป็นใจที่สว่างด้วยธรรมนี่แหละเมื่อใจนี่มีความสว่างด้วยธรรมะก็จบกันสว่างด้วยความรู้ความเห็นสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อความรู้และความเห็นประชุมลงเห็นอ น, นิจจังทุกครั้งน้าตาตามเป็นจริงพานหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ชอบพันนึ่สอนให้ภาวนาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเบื้องตนเอาเกิดดับเกิดดับก่อนเมื่อมันกระจายไปมันก็จะรู้อะอะไรเกิดอะไรดับอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีไม่มีสักอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา มีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าเห็นความเกิดความดับด้วยปัญญาด้วยญาณทัศน์ก็จะประมวลเชื่อประมวลเหตุปัจจัยทั้งหลายม้วน ล, ลงทำความไม่มีเชื่อไม่มีความหลงอีกต่อไปอก็ไม่มีการท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ต้องมาเกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ต้องมาทุกดิ้นลนสแสวงหาสิ่งน้นสิ่งนี่นีนน่เกิดมาแล้วก็มาสแสวงหาความสุขอืความทุกข์ไม่ต้องสแสวงหาหรอกมันมีอยู่ประจําอยู่แล้วอืแต่ความสุขแสวงหาแต่สแสวงหาก็ได้แต่ความสุขที่ไม่จริงอืมความสุขเผล น, นความสุขที่เป็น ยาหอมเป็นความสุขของพยามัจจุราชมันไม่เที่ยงนี่จึงต้องมาภาวนาหาความสุขของธรรมะความสุขโดยธรรมสุขเพราะไม่มีสุขเพราะไม่มีอะไรสุขเพราะไม่มีอุปทานสุขเพราะไม่มีความหลงสุขเพราะไม่มีความโลภความโกรธ นี่จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจบความมีมีแต่ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นกินริงคือรูล้ละล่อยวางว่างในกิจนี่นี่ก็อาศัยอาศัยสิ่งที่มันเป็นทุกข์อาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นล่ละ มาเพราะฉะนั้นยังสมบัติของเราแท้คือใจสมบัติของมัจจุราชคือร่างกายเกิดแรกก็จะต้องแตกดับสลายไปส่วนใจของเราเนี่เป็นที่ประ ม, มวลทั้งของดีของไม่ดีก็มาเรียกเฟ้นมาคัดกรองให้เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตามเป็นจริงทุกเป็นทุก ธมุไทยเป็นเหตุความอยากเกิดขึ้นในจิตต้องใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาว่ามันก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงเรียกว่ามาคัดกองคัดกองธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ความเป็นจริงของธรรมะว่าเขาไม่มีอะไรแล้วเขาสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับเขาก็เกิดดับอยู่างัน ส่วนผู้ที่ไปรู้ความเกิดและความดับอันนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับคือใจเกิดก็ไม่มีดับก็ไม่มีแต่ว่ามีมีรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่มีดับนี่ผู้รู้ความเกิดความดับเป็นผู้ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าถอยเข้ามาหาผู้รู้วนี่รู้ความจริงของ ลู้คือใจแล้วก็อยู่เป็นทิติธรรมเป็นธรรมทิติเป็นทิติธรรมที่ตั้งอยู่เป็นอยู่ของเขาตามเป็นจริงนี่เรียกว่าลู้ละลู้วางลู้ละสิ่งที่เคยยึดเคยถือลู้วางสิ่งที่เคยถือเคยยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันมันยึดอยู่ที่ใจวางอยู่ที่ใจ นี่เมื่อปล่อยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นตามสภาพอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้นั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่เป็นสุขนิชชาโตปรินิพุโตปอถอนตัญหาทั้งมูลรากได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขนิสุขโดยธรรม <c oughs> พ่อนให้ภาวนาเกิดดับเกิดดับ ให้เข้าใจความเกิดและความดับตามเป็นจริงะละพร <c oughs> ยะถาวาริวะหาปุลาปาริปุเลนติสังกะลังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิสิตังปฏิตังทุมหังคิเปเมวะสมิสโต สเมผูเลนโทสังกปะจันโนพนารโสยะธามณีโชติลาโสยทธาติโยวิวัชรมุสามภโรภะสัตุมะเตมะ สุขีดเทยุคนภิวันนะสิรสเนตโนายายน้อยยะนัปมาวะเทติอนุสัง มาราญนมารณูติรูวันโนปติวันโนสุขสันนัวสสนติอายุนิโรังนโสขัจปาติวันโนนิยเยยสวติ <c oughs> อมะพะติอิติภะวัตุสัพพังกัลลังขันตุสัมปิโตาสามะมุจานุภาเวนะฉนันโสติภะวัตุเทภะวัตุสัพพังกัลลังรักอนิวต สัมมาสัมะนะวะเวนะสันโสทิปันโเถอวะทิสัพพังกลลังลักปันเวะตาสมาสังขะอะนะวะเนะสันโสทิปันโตเถ